ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎกเรื่องของสติกำหนดลมหายใจเข้าออกอาณาปณาะาสติหนึ่งกายไม่หวั่นไหวจิตไม่หวั่นไหวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอบรมทำให้มากซึ่งสมาธิมีสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ คือการทำานาปานสติสมาธิกายย่อมไม่วันไหวจิตย่อมไม่วันไหว 1. ้เมื่อก่อนตรัสรู้ทรงเจริญอานาปานสติมากดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ตัวเราในสมัยก่อนจะตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์ผู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ ก็อยู่ด้วยวิหารธรรมคือธรรมหรือธรรมะเป็นเครื่องอยู่นี้โดยมากเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้โดยมากกายของเราก็ไม่ลำบากตาของเราก็ไม่ลำบากและจิตของเราก็พ้นจากอาสวะคือกิเลสที่ดองสันดานไม่ถือมั่นด้วยอุ ป, ปาทานเพราะเหตุนี้แหละภิษุทั้งหลายถ้าภิษุพึงหวังว่า กายของเราไม่พึงลำบากตาของเราไม่พึงลำบากจิตของเราพึงพ้นจากอาสวะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานเธอก็พึงทำไว้ในใจซึ่งสมาธิอันมีสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์นี้ให้ดี142เมื่อตรัสรู้แล้วทรงอยู่ด้วยอาณาปานาสติโดยมาก ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงออกจากที่เร้นคือป่าอิจฉานังคละเมื่อล่งเวลาสามเดือนแล้วจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้า น, นักบวชเจ้าลทัทธิอื่นพึงถามอย่างนี้ว่าพระสมณะโคดมอยู่จำพรรษาด้วยวิหารธรรมอะไรโดยมากท่านทั้งหลายพึงตอบว่า พระผู้มีพระภาคอยู่จำพรรษาด้วยอาณาปานาสติสมาธิโดยมากคือมีสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์143รอยิาริยวิหารรมวิหารตถาคตวิหารดูก่อนภิกูุ์ทั้งหลายบุคคลเมื่อกล่าวถึงธรรมะใดๆโดยชอบ พึงกล่าวว่าธรรมะเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าคืออริยวิหารบ้างธรรมะเป็นเครื่องอยู่ของพรหมคือพรหมวิหารบ้างธรรมะเป็นเครื่องอยู่ของพระตถาคตคือตถาคตวิหารบ้างผู้นั้นเมื่อกล่าวถึงอานาปนาสติสมาธิโดยชอบก็พึงกล่าวว่าอริยวิหารบ้างพรหมวิหารบ้างตถาคตวิหารบ้าง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดยังเป็นเสขะคือผู้ยังต้องศึกษายังไม่ได้บรรลุอรหัตผลเมื่อปรารถนาธรรมะอันยอดเยี่ยมอันปลอดโปร่งจากโยคะคือเครื่องผูกมัดอยู่สมาธิที่มีสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์อันภิกษุเหล่านั้นเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะ หรือกิเลส ท, ที่ดองสันดานหนึ่ง้สพระอาหารหันตเจริญอานาปนาสติทำไหมดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดที่เป็นพระอาหารหันตขีนาศบอยู่จบพรหมจรรย์แล้วมีสิ่งควรทำอันได้ทำเสร็จแล้วมีภาระอันวางแล้ว มีประโยชน์ส่วนตนอันได้บรรลุแล้วสิ้นกิเลสเป็นเหตุมัดไว้ในภพแล้วพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบอานาปนาสติสมาธิอันภิกษุเหล่านั้นเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันและเพื่อสติสัมปชัญญะสำหรับขีนาศพ มาจากคําว่าขีณบวกอสวะแปลว่าสิ้นกิเลส ท, ที่ดองสันดาลแล้ว145หเจริญธรรมะอย่างเดียวชื่อว่าจเจริญธรรมะอย่างอื่นอีกมากดูก่อนอานน์ธรรมะอย่างหนึ่งคืออานาปานสติสมาธิ สมาธิซึ่งมีสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำสติประฐานสี่คือตั้งสติสี่อย่างให้บริบูรณ์สติประฐานสี่อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำโพชงเจ็ดอย่างให้บริบูรณ์โพชงคือองค์ประกอบแห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้ โพชงเจอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำวิชาคือความรู้และวิมุตติความหลุดพ้นให้บริบูรณ์146ิบปฏิบัติได้แค่ไหนอะไรสงบระงับดูก่อนภิกษุความสงบระงับ6ประการเหล่านี้คือหนึ่ง วาจาของผู้เข้าสู่ปฐมฌานคือฌานที่หนึ่งย่อมสงบระงับ2วิตกคือความตรึกวิจารคือความตรองของผู้เข้าสู่ทุติยะฌานหรือฌานที่สองย่อมสงบระงับ 3. ปีติหรือความอิ่มใจของผู้เข้าสู่ตติยะฌานคือฌานที่สามย่อมสงบระงับ4 ลมหายใจเข้าออกของผู้เข้าสู่จตุตถะชาญคือชาญที่สี่ย่อมสงบระงับ 5. สัญญาคือความจำได้หมายรู้และเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกหรือไม่ทุกไม่สุขของผู้เข้าสู่สัญญาเวทะยตนิโรทย่อมสงบระงับ สำหรับสัญญาเวทาอิตานิโรธคือสมาบัติที่ดับสัญญาความจำและเวทนาความสวยอารมณ์ 6. ราคะคือความกำหนัดยินดีหรือความติดใจโทสะความคิดประทุษร้ายโมหะความหลงของภิกษุผู้เป็นขีณาศพคือผู้สิ้นอาสวะคือกิเลส ท, ที่ดองสันดานย่อมสงบระงับ 147. ความดับแห่งเครื่องปรุงแต่งตามลำดับชั้นดูก่อนภิกษุเรากล่าวถึงความดับแห่งอนุปุกพสังขารคือเครื่องปรุงแต่งตามลำดับชั้นไว้แล้วคือ 1. วาจาผู้เข้าสู่ฌานที่หนึ่งย่อมดับ 2. วิตกหรือความตรึกวิจาร์หรือความตรองของผู้เข้าสู่ฌานที่สอง ย่อมดับ 3. ปีติคือความอิ่มใจของผู้เข้าสู่ฌานที่สย่อมดับอั่อศาศัสปัสสาสะคือลมหายใจเข้าออกของผู้เข้าสู่ฌานที่4ี่ย่อมดับ 5. รูปสัญญาความกําหนดหมายในรูปของผู้เข้าสู่อากาสานัญจายตนะย่อมดับ 6. อากาศสานัญจายตนะสัญญาความกำหนดหมายในอาการสานัญจายตนะของผู้เข้าสู่วิญญาณัญจายตนะย่อมดับ 7. วิญญาณัญจายตนะสัญญาความกำหนดหมายในวิญญาณัญจายตนะของผู้เข้าสู่อากินจัญญายตนะย่อมดับแอากินจัญญายตนะสัญญาความกำหนดหมาย ในอากิญจัยายตนะของผู้เข้าสู่แนว่าสัญญานาสัญญายตนะย่อมดับ 9. สัญญาคือความจําได้หมายรู้ความกาหนดหมายและเวทนาความสวยอารมณ์ของผู้เข้าสู่สัญญาเวทอิตนิโรทย่อมดับ 10. ราคะความกาหนัดยินดีหรือความติดใจโทสะ ความคิดประทุษร้ายโมหะความหลงของภิกษุผู้เป็นขีณาศพผู้สิ้นอาสวะคือกิเลสที่ดองสันดานย่อมดับหมายเหตุพึงสังเกตว่าคำว่าเวทนาได้วงเล็บความหมายได้สองอย่างคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขอย่างหนึ่งเป็นการอธิบายเต็มความหมายอีกอย่างหนึ่ง ใช้คำสั้นๆว่าความสวยอารมณ์ซึ่งควรทราบด้วยว่าการใช้คำเต็มความหมายชัดกว่าแต่ถ้าจะต้องใช้อย่างนี้ไปเรื่อยๆก็จะยืดยาดบางครั้งจึงต้องใช้ว่าเวทนาทับศัพท์หรือคำอธิบายสั้นๆขอแทรกคำอธิบายศัพท์ตั้งแต่ข้อห้ามาในที่นี้เพื่อความเข้าใจคือตั้งแต่ข้อห้า อากาสานัญจายตนะถึงข้อ8ใเนวสัญญานาสัญญายตนะรวมสี่ข้อเป็นชื่อของอรูปฌานหรือฌานคือการเพ่งอารมณ์ที่มีสิ่งซึ่งไม่ใช่รูปเป็นจุดประสงค์คืออากาสานัญจายตนะเพ่งว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้วิญญาณัญจายตนะเพ่งว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้ อากินจัญญายตนะเพ่งว่าไม่มีอะไรแม้แต่น้อยและเนวะสัญญานาสัญญายตนะเพ่งว่าสัญญาคือความจำได้หรือความกำหนดหมายเป็นของไม่ดีเมื่อเพ่งอย่างนี้ก็จะเป็นเหตุให้สัญญาหยุดทาหน้าที่แต่ยังมีอยู่อย่างไม่เป็นข้อเป็นงออารูปปานี้แม้นักบวชนอกพระพุทธศาสนาก็บาเพ็ญกันได้ แต่ทางพระพุทธศาสนายังมีชั้นสูงสุดอีกข้อหนึ่งคือสัญญาเวทอิตะนิโรธแปลว่าดับสัญญาความจำและเวทนาความสวยอารมณ์ได้148ปุปุตชนกับอริยสาวกต่างกันอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุตุชน หรือคนที่ยังหนาไปด้วยกิเลสผู้ไม่ได้สดับย่อมสวยเวทนาที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างอริยาสาวกคือสิทธิ์ของพระอริยผู้ได้สดับก็เสวยเวทนาที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายอะไรเป็นความผิดแปกแตกต่างกัน ในบุคคลเหล่านั้นอะไรเป็นเครื่องทํำให้อริยะสาวกผู้ได้สดับต่างปุตุชนผู้ไม่ได้สดับดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุตุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อทุกขเวทนาถูกต้องย่อมเศร้าโศคลําบากใจคร่ำครวนย่อมตีอกพิไรรําพันย่อมมืดมนย่อมสวยเวทนาสองทางคือเวทนาทางกาย และเวทนาทางใจดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับเมื่อทุกขเวทนาถูกต้องย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากใจไม่คร่ำครวนย่อมไม่ตีอกพิไรรำพันย่อมไม่มืดมนย่อมเสวยเวทนาเพียงทางเดียวคือทางกายไม่เสวยเวทนาทางจิต 149สตรีที่บุรุษไม่ชอบใจเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายมาตุคามหรือสตรีที่ประกอบด้วยองค์ห้ายอมไม่เป็นที่พอใจโดยส่วนเดียวของบุรุษองค์หคือหนึ่งไม่มีรูปหรือแปลว่ารูปไม่งาม 2. ไม่มีทรัพย์ 3. ไม่มีศีล 4. เกียรติคร้าน 5. ไม่มีบุตรกับบุรุษนั้นสตรีผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แหลย่อมไม่เป็นที่พอใจโดยส่วนเดียวของบุรุษ 150. สัตรีที่บุรุษชอบใจแท้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสตรีที่ประกอบด้วยองค์ห้า ยอมเป็นที่พอใจโดยส่วนเดียวของบุรุษองค์าคือ 1. มีรูปหมายถึงรูปงามสองมีทรัพย์สามมีศีลสี่ขยันไม่เกียจคร้านห้ามีบุตรกับบุรุษนั้นสตรีผู้ประกอบด้วยองห้าเหล่านี้แหลยยอมเป็นที่พอใจโดยส่วนเดียวของบุรุษ ห5 1บุรุษที่สตรีไม่ชอบใจเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุรุษที่ประกอบด้วยองค์หย่อมไม่เป็นที่พอใจโดยส่วนเดียวของสตรีองค์5คือ 1. ไม่มีรูปคือรูปไม่งาม 2. ไม่มีทรัพย์ 3. ไม่มีศีล 4. เกียรติคร้านห ไม่มีบุตษกับสตรีนั้นบุรุษผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แหลย่อมไม่เป็นที่พอใจโดยส่วนเดียวของสตรี152่15บุรุษที่สตรีชอบใจแท้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุรุษที่ประกอบด้วยองค์ห้าย่อมเป็นที่พอใจโดยส่วนเดียวของสตรีองค์หคือหนึ่ง มีรูปคือรูปงาม 2. มีทรัพย์ 3. ม, มีศีล 4. ขยันไม่เกียจคร้าน 5. มีบุตรกับสตรีนั้นบุรุษผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แหลย่อมเป็นที่พอใจโดยส่วนเดียวของสตรี 153. ความทุกข์โดยเฉพาะของสตรี ดูก่อนพิสษุนทั้งหลายความทุกข์โดยเฉพาะของมาตุคามหรือสตรีห้าอย่างเหล่านี้ซึ่งสตรีได้รับต่างหากจากบุรุษคือ 1. สตรีเมื่อเป็นสาวไปสู่สกุลแห่งสามียอมพัดรากจากญาติทั้งหลายนี้เป็นทุกข์โดยเฉพาะของสตรีข้อแรกซึ่งสตรีได้รับต่างหากจากบุรุษ 2. สตรีย่อมมีรดูคือประจำเดือนนี้เป็นทุกข์โดยเฉพาะสตรีข้อที่สองซึ่งสตรีได้รับต่างหากจากบุรุษ 3. สตรีย่อมมีคันคือตั้งคันนี้เป็นทุกข์โดยเฉพาะของสตรีข้อที่สซึ่งสตรีได้รับต่างหากจากบุรุษ 4. ีสตรีย่อมคลอดบุตรนี้เป็นทุกข์โดยเฉพาะของสตรีข้อที่สี่ ซึ่งสตรีได้รับตังหากจากบุรุษ 5. สตรีย่อมทำหน้าที่บำมเรบุรุษนี้เป็นทุกข์โดยเฉพาะของสตรีข้อที่หซึ่งสตรีได้รับตังหากจากบุรุษดูก่อนภิกษุทั้งหลายความทุกข์โดยเฉพาะของสตรี5้าอย่างเหล่านี้แลซึ่งสตรีได้รับตังหากจากบุรุษ154 กำลังหของสตรีดูก่อนภิกษุทั้งหลายกำลังหของมาตุคามหรือสตรีเหล่านี้คือ 1. กํากำลังคือรูป 2. กํกำลังคือทรัพย์3กํกำลังคือญาติ4กํกำลังคือบุตรกํากำลังคือศีลนี้แหละคือกำลังห้าของสตรี ดูกนภิกษุทั้งหลายสตรีประกอบด้วยกำลังห้าเหล่านี้แล้วยอมเป็นผู้อง์อาจครองเรือนย่อมข่มสามีครองเรือนย่อมครอบงาสามีครองเรือน155บุรุษประกอบด้วยอะไรจึงครอบงาสตรีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุรุษประกอบด้วยกำลังข้อเดียว ก็ครอบงามสตรีได้กำลังข้อเดียวคืออิสริยภละกำลังคือความเป็นใหญ่สตรีที่ถูกกำลังคือความเป็นใหญ่ครอบงามแล้วกำลังค Clear ือรูปก็ต hey ้านทานไม่ได้กำลังคือทรัพย์ก hmm ็ต hm ้านทานไม่ได้กำลังคือญาติก็ต้านทานไม่ได้กำลังคือบุตรก็ต้านทานไม่ได้กำลังคือศีล ก็ต้านทานไม่ได้หมายเหตุพระพุทธภาษิตนี้แสดงให้เห็นว่าถ้าสตรีมีกําลังห้าข้อแล้วก็เป็นผู้ครองเรือนที่มีอานาจเหนือสามีแต่ในขณะเดียวกันถ้าสามีเป็นอิสระชนคือผู้เป็นใหญ่เช่นเป็นพระราชากําลังคือความเป็นใหญ่ของสามีเพียงข้อเดียวก็ครอบงำสตรีไว้ได้ พระพุทธภาษิตนี้เป็นระบบฉายให้เห็นระบบการปกครองและสังคมในสมัยนั้นว่าอำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของคนชั้นปกครองอันหนึ่งบาลีพระไตรปิฎกฉบับไทยตอนนี้ตกหล่นสองคำได้สอบกับฉบับอักษรโรมันของสมาคมบาลีประกรณ์และอัฐกถาฉบับอักษรไทยแล้ว